ขนาดอะไรนะเขามีเศีนินคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยไปลอยน้ำสักเถอะคำนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเวลาตายทุกชาติเนี่ยถูกลอยน้ำมาตลอดพอคลอดลออกมากม็ถูกลอยน้ำละก็ถูกตำที่แ ค, ค่พูดนะยังไม่ได้ลงมืออะไรแ่พูดแต่ว่าอะไรนะโกรธเมียนะทะเลาะเมียก็เลยพูดคำนี้ไปคำหนึ่งก็เลยเสียหายตั้งไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร พันผู้ที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะสามารถที่จะทําความชั่วทําบาปทำอกุศลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะพร้อมที่จะทําได้ทุกอย่างทําลายพระาธาตุก็ได้ห้ามไม่ให้คนบูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นนะวางแผนเตรียมจะฉลองเออฉลองพระเจดีย์อยู่เป็นปีๆเลยนะปุถุชนเนี่ยโวยวายอยู่หลายหมื่นคนตกตกนรกไปเป็นเปรตเนี่ยหลายหมื่นคนด้วยกันเนี่ยนะ พันแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าบูชาพระเจดีย์เนี่ยเขาก็ยังตําหนิคนที่ตําหนิการบูชาพระเจดีย์ยังมีโทษมากจะกล่าวไปยายถึงทําร้ายพระเจดีย์ขุดพระเจดีย์เป็นต้นทําสร้างความเสียหายเจดีย์นี้มีอยู่สามอย่างนะคืออะไรสา ร, สาริริกะเจดีย์ก็คือพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุบริโภคเจดีย์ก็คือเจดีย์ที่บรรจุที่ที่พระองค์ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นผ้า บาจีวรเป็นต้นของพระองค์หรืออาสนะกุติของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างที่สามก็คืออุเทสิกะเจดี JD ก็คือพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยนะก็มีบุคคลที่ขโมยพระพุทธรูปทำร้ายพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยพวกเรานี้เขาไม่รู้รอกว่าเจตนาของเขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็แปลกใจว่าออทําไมไปไหว้พระเจดีเนี่ยเห็นเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นแต่ตอนหลังเริ่มเห็น เมื่อก่อนไม่สังเกตตอนนี้เริ่มสังเกตขึ้นว่าลานพระเจดีย์นี่ทําไมมันอบายภูมิมากขนาดนั้นจุดไฟก็มาแรงเต็มไปหมดพอมาแรงเต็มลานพระเจดีย์แล้วก็มีพวกกองทัพมาขนแมลงต่อไปอีกคือมดก็มาขนมาแรงไปอีกเนี่ยนะที่แถวๆลานพระเจดีย์ยังมีอบายภูมิมากขนาดนั้นแล้วที่อื่นจะขนาดไห น, นเนอเนี่ยนะมันก็น่าเห็นใจว่าบุคคลเหล่านี้ สัตว์เหล่านี้คงทําความผิดพลาดอะไรมาไม่ใช่น้อยในสมัยที่มีพระเจดีย์กวรที่เขาจะได้ไปเจริญกุศลไปทําบุญทำกุศลที่ไหนได้กลับไปท่างแต่บาปสร้างแต่กรรมนั้นความเป็นปุตุชนนี้อันตรายเดรัจฉานทุกตัวก็คือปุตุชนเดรัจฉานทุกอย่างก็คือปุตุชนสัตว์นรกก็คือปุตุชนเปรตอสุรกายเดรัจฉานทั้งหลายก็คือ ปุตตชนปุตตชนเหล่านี้เนี่ยนะพร้อมที่จะไปสู่อาบายทุกขติวินิบัตินรกเพราะสาเหตุว่าปุตุชนฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้นะไม่ต้องพูดถึงว่าทุบตีว่างั้นฆ่าผ้าหันก็ได้ทําลายสง์ก็ได้โดยที่สุดยังจิตให้คิดประทุศร้ายทําลายพระพุทธเจ้าทําลายพระสถูป ข, ของพระพุทธเจ้าโดยที่สุดแม้กระทั่งทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็หนักมากก็คือทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้า ปุตตชนไหนเนอะทำอะไรบ้างไม่ได้ปุตุชนนี่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่อันตรายที่สุดในโลกเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าจะต้องระวังให้มากที่สุดในโลกคนนั้นก็คือส่องกระจกแล้วจะเห็นชัดมากกระจกเท่าไหร่ก็ชัดเท่านั้น น, นะก็ส่องให้ดูแล้วก็ระวังให้มันดีๆเถอะตัวนี้แหละเนี่ยนะตัวไหนเนอไปดูในกระจกจะเห็นเลยตัวใหญ่มากนี่ต่อไปว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือพระโสดาบันเนี่ยนะจะอ้งางศาสนาอื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตฐานะนี้ย่อมไม่มีปุถุชนอ้งางศาสดาอื่นฐานะนี้มีอยู่ก็บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยนะที่จะเปลี่ยนาศาสนาไม่ใช่ฐานะเยะว่าเปลี่ยนาศาสนาด้วยเหตุผลทั่วไปเลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านไปนับถื อ, อ, อไปนับถือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเป็นาศาสดาของท่านท่านจะได้เป็นจักรพรรด ถ้าหากว่าท่านไม่ทำอย่างนี้จะประหารชีวิตท่านยอมตาเยเนี่ยนะท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ปุถุชนเนี่ยนะโอ้ยค่าตัวไม่กี่บาทค่าตัวไม่กี่บาทจริงๆให้ไม่กี่บาทนี่ก็โอ้ยเปลี่ยนาศาสนาเรียบร้อยทันทีเลยยอมก็ามาเล่าให้ฟังวันก่อนก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งไม่สบายป่วยนอนอยู่ข้างทางก็เลยมีคนาศาสนาอื่นมาช่วยเขาพาไปหาหมอ คนนี้ก็เลยแนะนำไปแนะนำมาเขาเปลี่ยนาศาสนาเลยเขาบกงั้นโอ้อันนี้ค่าตัวไม่กี่ตังค์ <c oughs> ปกติก็ไม่แต่เขามาไม่ค่อยแปลกใจหรอกปกติเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วปกติเขาก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครวันถ้าเขานับศานับถือาศาสนาอื่นเลยไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะปกติเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ปุตุชนทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยนะพร้อมที่จะเปลี่ยนไปนับถือ ศาสดาอย่างอื่นดูได้จากอะไรดูได้จากพวกมงคลตื่นข่าวเป็นต้นพวกมงคลตื่นข่านี่ประกาศว่าไม่ได้มั่นคงในพระพุทธเจ้าอะไรเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรดีก็ายหมดเขาว่าใครที่เป็นคนดีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไปมอบกายถาวายชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าปุตุชนเนี่ยหันหน้าเง้นหน้าดูหน้าศาสดาไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะไม่มีสาระอะไรในจิตในใจเลยถึงสาระก็ ถ้าไม่เพิ่มพูนหรือตอกย้ําให้ดีก็พร้อมที่จะงอนแงบงอนแงบอย่างไพร้อมที่จะหลุดพุทธชนเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนประเภทกิ่งไผ่นะ ย, ย้อยโน้มไปโนนทีโน้ ม, มาหนีทีก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละแเพราะไม่ได้มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าอะไรเพราะว่าโดยมากน้อยนักที่จะบอกว่าชีวิตนี้มีพระพุทธเจ้านําไปในทุกทุกขนทุกแห่งในทุกการสถานที่ทุกทวาวรและทุกอารมณ์ที่เรียกว่ามีพระธรรมตรายพาไปอย่างนั้น ไม่มากนะักเนี่ยนะโดยมากก็เชื่อไหมในโลกนี้เราถ้าบอกว่าเราเนี่ยเรานับถือพระพุทธเจ้าเราจะต้องแคร์คาของพระพุทธเจ้าที่สุดใช่ไหมวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเคยหมว่าเดี๋ยวพระองค์พระพุทธเจ้าจะว่าเอาไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราเนี่ยเป็นลูกมีพ่อนะมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเราจะทําอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะว่าเอาไม่พพุทธเจ้าจงยกไว้ก่อนเดี๋ยวคนโน้นจะว่าเอาเดี๋ยวคนนี้จะว่าเอาเนี่ยมันประกาศว่าประกาศว่าอะไร ประกาศว่าพร้อมที่จะบ่ายหน้าไปหาคนอื่นเนี่ยนะนันพราะอะไรกลัวคนอื่นมากกว่าบอกโอ้ยเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้บอกเมื่อไรเนาะจะเกรงใจพระพุทธเจ้าเท่านี้บ้างอนะนะวันวนหนึ่งจะคิดเรื่องอะไรบอกเกรงใจคนนั้นเออถ้าเรื่องนี้เราเกรงใจพระพุทธเจ้าแบบนี้นะได้ดีแน่ทุกเรื่องถ้ารู้สึกเกรงใจพระพุทธเจ้าเมื่อวานฟังโยมเขาสวดกันเองอะเสวนาจะพาลานางการไม่คบคนทานทั้งหลาย แล้วก็ฟังดูบอกเออใช่นะที่สิ่งเหล่านี้เป็นมงคลใช่ไหมแต่แต่คนทั่วๆไปนะเชื่อไหมตัวเองคบคนพานจนไม่รู้ว่าตัวเองคบคนพานขนาดไหน <S 2> <S 2> <S 2> สังเกตดูจะทําอะไรเนี่ยนะเคยไม่เคยนึกถึงพระรพุทธเจ้าผู้เป็นบัณฑิตเลยนะนึกถึงแต่คนพานเอ๊ะเนี่ยเรื่องนี้นะเดี๋ยวคนพานจะว่าเอาแค่์ขี้เมาที่สุดเลยเดี๋ยวเนี่ยนะแค่์ขี้ปากอะไรนะเอาแต่คําของพวกมิจฉาวาจามาเป็น มาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวพวกนั้นจะว่าเดี๋ยวพวกนี้จะว่าแต่พระพุทธเจ้าว่านี่ชฉนะนะก็ก็เรามันปุตุชนก็ว่า ง, งั้นจะไปทําได้ทุกเรื่องได้ยังไงเนี่ยนะโอ้ยจำนนไปทุกเรื่องอนะนียอมไปหมดเอเวน้นแต่พระรัตนไตรใครที่หวังดีกับเราจริงๆนะไม่สนใจอย่างค้ายๆกับเด็กนักเรียนนี่เหมือนกันโอ๊ยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเพื่อนส่งเรียนที่ไหนล่ะพ่อแม่ส่งเรียนไม่กลัวพ่อแม่ว่าแม้แต่นิดเดียวนะกลัวแต่เพื่อนจะว่าเอาว่างั้น กลัว่าจริงๆแค่กับเพื่อนที่สุดเนะคล้ายๆกับลูกน้องหลายคนก็ลักษณะเดียวกันไม่เคยแค่เจ้านายแต่แค่แต่คนอื่นจะว่าไอคนที่ไล่ออกจากงานไม่ใช่พวกแี <c oughs> ่ยเป็นเจ้านายไม่รู้ตัวจริงๆชั้นใดก็ดีเราที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ลักษณะเดียวกันกลัวจริงๆกลัวคนอื่นจะว่าโดยเฉพาะเดรัทธีว่าขี้เมาว่าพวกมิจฉาทิฏฐิว่ากลัวจริงๆเลยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยนึกเกรงอะไรสักเท่าไหร่ช่างมันเถอะเนี่ยนะช่างเถอะช่างเถอะ เพันปกติเนี่ยนะโดยจริงๆแล้วเลือดอะไรนะจิตวิญญาณเนี่ยแทบจะอยู่กับคนพานตลอดเวลาเลยแทบจะอยู่กับคนพานตลอดเวลาเลยนะเวลาสมมติว่าทานเราเนี่ยคบพานคบบัณฑิตเนี่ยนะวิธีแยกไม่ยากหนึ่งเรื่องขึ้นมาเราเอาใครเป็นเป็นหลักก่อนเราจะนึกถึงคําของคนอื่นหรือนึกถึงคําของพระพุทธเจ้าก่อนนั่นแหละประกาศว่าเรามีใครเป็นสารณะเดี๋ยวคนนั้นจะว่าเดี๋ยวคนโน้นจะว่าเดี๋ยวคนนี้จะว่าเอาคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ล่า นะแต่กลัวเขาจริงๆเลยนะแต่คนนั้นช่วยให้เป็นพระโสดาบาันได้ไหมบอกไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยได้ช่วยให้ปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้แต่ว่ากลับคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยมากเลยนะแม้กระทั่งการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราพยายามทรงจําไปเลยว่าอะไรคือพุทธพจน์อะไรคือพุทธพจน์พุทธพจน์ตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรพุทธพจน์มีตรัสไว้ที่ไหนบ้างอย่างไรเป็นตน้นเราต้องนึกไวอ้อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่นึกอย่างนี้เนี่ยนะ มันพร้อมที่จะหันหน้าไปนับถือศาสดาอื่นถามว่าทําไมไ ม, ไม่ไปนับถือศาสนาอื่นตอนนี้ก็ยังไม่มีศาสดาที่ถูกใจบางเง้นเนอะถ้าเจอศาสดาที่ถูกใจเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะไปบางเง้นมันก็เป็นอย่างนั้นท่นน่าสงสารขนาดไหนนะท่านผู้เป็นเช่นเราทั้งหลาย <c oughs> อา้าน่าสงสารจริงๆนะท่านมบอกว่าถ้าเลิกนับถือพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าอะไรนะบอกว่าหลังเกเลือกก่อนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์กลับไปใช้แสงสว่างแห่งแสงหิง่งห้อยตามเดิมดีกว่า นะก็ในเงื่อน래ลังนั้นความเป็นปุถุชนนี่อันตรายที่สุดคนที่ไม่เห็นอริยสัจจะทำเป็นบุคคลที่อันตรายพร้อมที่จะประทุสร้ายตัวเองได้ตลอดเวลาเนี่ยนะพร้อมที่จะทําลายตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อช้าแวบๆหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าฆ่าเมียเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตามเนี่ยนะมันอันตรายจริงๆอันตรายต่อคนรอบข้างเสร็จแล้วก็ยังอันตรายต่อตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยอันตรายแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงมันฆ่าได้หมดนะลูกตัวเองนะไม่ใช่ลูกคนอื่นที่ไหน ลูกตัวนิดเดียวเนี่ยนะอุ้มเสร็จอุ้มไปอุ้มมาฆ่าลูกทิ้งเลยนะนะก็เลยบอกโอ้คนนี้ไม่ใช่ใจของมนุษย์เหมือนกันถูกแล้วเนี่นะไม่ได้จิตใจของมนุษย์อะไรเทราะความเป็นปุถุชนคนที่ยังไม่รู้อริยสัจจะทำไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปในโลกนี้อะไรบ้างที่เขาทําไม่ได้ความชั่วนะหมายถึงความชั่วพร้อมจะฆ่าผู้อื่นก็ได้ฆ่าตัวเองก็ได้พร้อมที่จะปล้นผู้อื่นก็ได้โกงตัวเองก็ได้พร้อมที่จะทําบาปทำอกุศลได้ทุกอย่างทุกประการ นั้นความเป็นปุถุชนนี่จึงอันตรายอันตรายถึงขนาดว่าขังตัวเองให้เฝ้าอยู่ในนรกเป็นกับๆได้สบายๆเนี่ยนะทำอะไรก็ทำอ น, นันตรยกรรมเป็นต้นก็ตกนรกตลอดกับเพราะนั้นเราก็ต้องในฐานะผู้ที่รู้พอรู้ดีรู้ชั่วโดวยอาศัยคำสอนเนี่ยนะคำจะมาทานในตอนท้า ย, ายเนี่ยนะเรียกว่าคำตั้งความปรารถนาอันนั้นแหละเรียกเป็นตั้งอัตตะสัมมาปณิทิตั้งไว้เลย ขอข้าพเจ้าพึงอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะใ ห, ให้รู้ดีรู้ชั่วให้ตั้งจิตตรงเบนไปอย่างนั้นถ้าไม่ตั้งจิตไว้แบบนั้นอะไรนะพร้อมที่จะเป็นอื่นพอมาไม่ไม่คิดอะไรมากเราคิดถึงพระเนนที่เข้ามาบวชนี่แหละอุย้ยศาสศาสนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนจะจะมอบกายถวายชีวิตอุ้ยคาพูดแต่ละคําเนี่ยนะชาตินี้ห่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่เชื่อไหมพวกนี้ศึกไปแล้วไม่เคยหันหน้าเข้ามาสวดมนต์อีกเลย มันก็เลยทำให้เห็นเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ของพวกเรานะถ้าศึกษาธรรมะไปอีกระดับหนึ่งนะถ้าศึกษาพลาดเนี่ยนะอะไรก็จะรู้ไปหมดเลยนะใ็่แล้วก็เลิกศึกษาเลิกปฏิบัติศีลก็ไม่เอาทานก็ไม่ให้รู้ไปหมดอ่ะนะแต่ว่ากุศลจะไม่เหลือเลยเหลือแต่อกุศลบานหมด อันนี้ถ้าต้องพยายามอะไรนะทบทวนตัวเองให้บ่อยๆเหมือนกันนะแยกแยะอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญถ้าไม่แยกแยะอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ไม่ตัวทบทวนบ่อยๆที่เขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราพร้อมที่จะทําอะไรได้อีกหลายอย่างด้วยกันที่เราไม่คาดคิดมาก่อน เมมีคนบางคนเนี่ยศึกษาธรรมะไปศึกษามาศึกษาไปเนี่ยไม่รู้ศึกษาอย่างไงศึกษาเสร็จกลายเป็นขี้เล่าเมายากลายเป็นเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งเพิ่งรู้ตัวบอกร้องให้เลยนะบอกโอ้โหทำนี้ได้ยังไงว่า ง, างนันเสียหายร้องห่มร้องให้ใหญ่โตเลยนะเสร็จแล้วก็กลับไปมเมาตามเดิม <c oughs> อย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นนะนะ <c oughs> พระสโสดาบันท่านไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะนะ พันเรียบเพียรให้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆจะเปลี่ยนแปลงรีบปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันก่อนถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนี่แม่อันตรายจริงๆอันตรายจริงๆริงคิดดูนะถ้าไม่สบายนี่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยไหมป่วยขึ้นมาปั๊บนึกถึงพระพุทธเจ้าวะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเป็นที่ดับทุกนี้แล้วหนออริยศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็สอนเพื่อให้พ้นทุกเหล่านี้แล้วผู้ที่เขาศึกษาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเหล่านี้แล้วป่วยขึ้นมานึกถ ดูว่าสารณะแน่แค่ไหนแน่แค่ไหนนึกถึงพารตนะไตรก่อนเพื่อนหมดเลยทุกเรื่องฟ้าผ่าก็นึกถึงพารตนาไตรเกิดอะไรขึ้นก็นึกถึงพารตนาไตรนี่แหละที่เขาเรียกว่าสารณะและมันมีอ น, นิสง์มากนะแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนี้ก็กำไรยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นนขึ้นๆลงๆอยู่ต่อไปว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือพระโสดาบันเนี่ยนะ ที่จะพึงสแสวงหาบุคคลที่ตนควรถวายทานอื่นจากพระตนะไตรภายนอกพระพุทธศาสนานี้ฐานะนี้ย่อมไม่มีคือผ้า อ, รอ า, าอรยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าผู้ใดที่เป็นนาบุญเท่ากับพระพุทธเจ้าไหมในบรรดาปาฏิ บ, บุคลิกทานไม่มีบุคคลที่เป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วในบรรดาสังฆทานก็ไม่มีหมู่คณะใดที่ ที่จะเป็นนาบุญเท่ากับคณะสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้มีศีลและสัมมาทิฏฐิเสมอกันท่านเห็นว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญแต่ขณะอื่นขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านจะไม่สงเคราะห์คนอื่นก็สงเคราะห์แต่ก็ไม่ได้สงเคราะห์ในลักษณะว่าเป็นสแสวงหาเป็นนาบุญแต่ก็ทาด้วยใจกรุณา อนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะมีโรงทานโรงทานเลี้ยงคนยากเลี้ยงคนกัมพาร์ก็ถึงเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้เลืกราอะไรก็ยังเลี้ยงอยู่ตามเดิมเนี่ยนะที่เลี้ยงนั้นใครจะนับถือศาสนาอะไรก็เลี้ยงไปเลี้ยงด้วยใจสงเคราะห์เลี้ยงด้วยใจกรุณาเรียกว่าเรียกว่าอนาถาอนาถาก็คือที่พื่อนาถาบินทิกะก็คือเรียกว่าที่พึ่งของคนอนาถา นะที่พึ่งของคนยา ก, กว่างั้นเถอะเป็นเศรษฐีของหัวใจเออเรียกว่าเศรษฐีในใจคนยากเป็นเศรษฐีที่หวังสงเคราะห์คนทุกคนยากทั้งหลายเพราะอนาถาเนี่ยยังตั้งโรงทานเหมือนเดิมแต่ก็ตั้งโรงทานด้วยใจที่สงเคราะห์ด้วยใจที่กรุณามีเมตตาเนี่ยนะนันก็ไม่ได้เคยคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นฮาบุญเป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่นะไม่ได้มองว่าอย่างนั้นก็เหมือนกับเราหลายคนที่นี่ ก็ไปเลี้ยงอาหารสัตว์อยู่ใช่ไหมไปเลี้ยงอาหารปลาอะไรเป็นต้นคิดว่าปลาเหล่านั้นเป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ที่ที่ให้ทานในสัตว์เหล่านั้นก็ด้วยเหตุผลอย่างอื่นไม่ได้เหตุผลว่าจะไปสแสวงหาบุญที่ยิ่งใหญ่ในในสิ่งเหล่านั้นพรานก็เห็นว่านาบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระตนตรยัยไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะนั้น อะไรที่จะมะีเป็นที่แหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลที่ผลแห่งบุญกุศลจะเท่ากับพระตะนาตรายไม่มีเหมนเวลาทำบุญทำกุศลทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นควรตั้งตนปรารบพระตะนาตรายถ้าตั้งอย่างนี้บุญกุศลที่เราเจริญจะเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก ปุแต่ปุตตชนเนี่ยน ะ, สะแสวงหาบุคคลที่ตนควรถวายทานอื่นจากพระรัตนตรัยในภายนอกพระพุทธศาสนานี้เป็นฐานะที่จะมีได้ในบรรดากุศลทุกชนิดเนี่ยนะกุศลที่เราควรจะทําในฐานะพุทธบริษัทกุศลที่ควรทําที่สุดคือบุญกุศลประเภทส่งเสริมพระรัตนตรัยนะบูชาก็เพื่อบูชาพระรัตนตรัยถ้าจะส่งเสริมก็ส่งเสริมพระรัตนตรัย บูชาก็คือปฏิบัติบูบชาหรืออมิตทบูชาถ้าจะส่งเสริมช่วยให้คนอื่นรู้จักพระรัตนตรยัยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ควรทําพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเธอมีญาติมีบุคคลที่เธอรักเธอเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยนะที่เธอชอบพอใจถ้าเธอจะสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์ เ, ะเขาให้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมและรู้จักพระสงฆ์สงเคราะห์ให้เขามีพระรัตนตรยัย เมื่อเขามีพระรัตนตรายเป็นต้นเขาก็อยู่อยู่ในคลองที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพันถ้าเราจะสแสวงบุญช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญกับผู้อื่นก็ฐานะทำบุญเพื่อให้เขานี้รู้จักพระรัตนตรายทํายังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขารู้จักพระรัตนะตรายอย่างของมาเนี่ยที่เหมือนกับว่าเหมือนสอนโยมเนี่ยจริงไม่ได้สอนนะเนี่ยแนะนําให้รู้จักพระรัตนตรายพอดเสร็จแล้วก็พอละ รู้จักพระรัตนตรัยก็ได้บุญไปแล้วเอาคนทาก็ได้บุญไปแล้วคนฟังก็รู้จักพระรัตนตรัยก็สำเร็จวัตถุประสงค์อย่างนั้นนี่เราจะไปชวนเด็กๆให้รู้จักพระรัตนตรัยหน่อยได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจ ะ, สะแสวงบุญกุศลก็ควรสแสวงหาจากพระรัตนตรยัยถึงเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เกี่ยวข้องให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยอันนั้นเป็นนาบุญของเราเนี่ยนะ เป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้หรือในโลกนี้เลยจะมีอะไรบุญจะยิ่งใหญ่กว่าการที่เราเองเนี่ยถึงพระรัตนตรยัยถ้าจะสงข้อผู้อื่นสงข้อให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่หากุศลอื่นที่ทําได้ยากถ้าเราให้คนอื่นรู้จักพระรัตนตรยัยก็แสดงว่าเรานับถือพระรัตนตรัยเราถือว่า พ, พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนั้นบุคคลอื่นเขาก็ควรได้รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดคือ พระรัตนตรเราจะช่วยให้เขารู้จักพระรัตนไตรัยได้อย่างไรแต่ขณะเดียวกันถ้าคนอื่นเขาไม่รู้จักพระรัตนะไตรยัยเราจะป่วยกับเขาไหมก็คงไม่ป่วยมั้งเนาะแต่ก็สรุปว่าถ้าจ ะ, สะแสวงบุญกุศลเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนี้ถ้าเราเอาเยี่ยงอย่างตามพระโสดาบันพระโสดาบันท่านสแสวงหาบุญจากพระรัตนไตรยัยเนี่ยนะท่านแสวงบุญจากพระรัตนไตรัยแม้แต่จะให้ทานเป็นต้นก็ปรารบพระรัตนไตรัยเสมอ ในข้อต่อไปบอกว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือพระโสดาบันจะพึงเชื่อความหมดจดด้วยมงคลตื่นข่าวฐานะนี้ย่อมไม่มีพระโสดาบันไม่เชื่อหรอกว่าการเห็นเนี่ยจะเป็นมงคลที่สุดการฟังนี่จะฟังแบบอะไรนะฟังเสียงบางอย่างแล้วเป็นมงคลไปจับไปรูปอะไรบางอย่างแล้วเป็นมงคลบางคนเนี่ยนะเป็นเป็นพวกมงคลตื่นข่าวจริงๆพวกมงคลลอดท้องช้างลอดท้องอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะ มันก่อนโยมมาเล่าให้ฟังมาไปลอดโบสมันไปลอดทําไมเขาโบสถ์นี่เขาไหว้ขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูปมันไปลอดท้องโบสถ์แบบโอ้ตายเลยว่างมากจริงๆริเลยโยมนี่ยเขบอกมันเย็นดีมันงันโอ้ตายเลยบอกว่ามานั่งที่นี่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรแล้วก็โอ้ยไปเรื่อยเปืยนะคิดดูดีนะก็บอกว่าเอาอะไรนะไปกราบงูจะได้เป็นมงคลเนี่ยนะแตกเชื่อไหมคนทําได้ทุกอย่างจริงๆลอดท้องช้างลอดลอดได้ทุกเรื่องเลยนะ เชื่อว่าเป็นมงคลพวกนี้ถือว่าเป็นพวกมงคลตื่นข่าวหาแป้งโน้นมาปะนี่หาโน้มาปะโน่นก็ถือว่าเป็นมงคลจะได้วิเศษจะได้อะพิเศษอะไรก็ทมไปเรื่อยพวกนี้เป็นมงคลตื่นข่าวมันมีอยู่ไหมในมงคล38ดเนี่ยนะเวลาจะทําอะไรก็มารับดูนะหนึ่งสองสามสี่ตั้ง38ถ้ามันไม่เข้าเลยก็แสดงว่าอะประมงคลเนี่ยนะทำอะไรก็ช่างเถอะเขาว่ามันดีดีดี ด, ดีนี่ก็มาเช็คดูว่ามันครบ38มสิบไหมถ้ามันอยู่ใน38ทําไปเถอะ เป็นมงคลแล้วล่ะพระพุทธเจ้าตอบเทวดา ว, ว่ามันเป็นมงคลแต่ถ้าหากว่าเช็คดูในสามสิแปดแล้วไม่เข้าสักข้อหนึ่งนั้นอัปมงค ล, ลนะนะแล้วก็ยังสําคัญว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญก็เช็คกดูนะเวลาไปลอดท้องอะไรสักอย่างก็เช็คดูว่ามันเข้าในมงคลสามสิบปดไหมถ้าเข้าก็ใช้ได้ถ้าไม่เข้าก็แหมเกิดอะไรขึ้นย่องก็ไปลอดท้องโบสถ์มาอะย้อมอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่ามาเรียนที่นี่อายก็ตายเลย ไม่เคยสอนอย่างนั้นสักหน่อยแต่ว่าปุตุชนเนี่ยนะทำได้ทุกอย่างหมดนะที่เป็นโดยเฉพาะทิตฐะมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลเป็นต้นพร้อมที่จะถืออะไรนะต้นกล้วยไปดูต้นกล้วยไปดูควายห้าขาไปดูอะไรได้ทุกอย่างหมดนะไปดูเห็ดดูราดูอะไรสารพัดเขาถือว่ามันดีดีๆเนี่ยก็ทําไปหมดเลย <S <S <S <S ไปว่าอะไรเขา นี่ข้อต่อไปนะว่าฐานะอฐ า, านะต่อไปบอกว่าสตรีที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิฐานะนี้ย่อมไม่มีนะจกักรพรรดิที่เป็นจกักรพรรดิไม่ใช่จกักรพรรดิสมัยใหม่นะจกักรพรรดิสมัยใหม่ใครก็เป็นได้หมดจกักรพรรดินีอะไรก็ตั้งกันไปเรื่อยนะแต่ว่าถ้าตามพระไตรปิฎกจักรพรรดิที่เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยจกักรสมบูรณ์ด้วยอะไรนะที่เ ร, รียกว่ารัตนเจ็ดประการเนี่ยนะจักรรัตน์ช้างรัตน์ม้ารัตน์มณีรัตน์ อิทีรัตนะเครหบดีรัตนะปรินายกรัตนะเป็นต้นเนี่ยนะที่สตรีที่จะมีรัตนะทั้งเจดเนี่ยที่จะดํารงตําแหน่งจกักรพรรดิไม่มีบุรุษพึงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ฐานะนี้มีอยู่สตรีจะเป็นเท้าสักกะจอมเทพฐานะนี้ย่อไม่มีบุรุษพึงเป็นเท้าสักกะจอมเทพฐานะนี้มีอยู่ก็บอกว่าสตรีที่จะไปเป็นครองตําแหน่งปกครองเทวดาชั้นดาวดึงและชั้น จะตุมคูบ่วกันทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่มีหรอกมีแต่ผู้ชายสตรีจะเป็นพยามารเนี่ยนะเป็นสวัสตีมารเนี่ยน ะ, ะสวัตตีมารอยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมิต่าวสวัสดีเนี่ยสตรีที่จะเป็นมารแบบนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้แต่บุรุษพึงเป็นมารแบบนั้นฐานะที่จะมีได้สตรีที่จะพึงเป็นเท่ามหาพรหมฐานะนี้ ไม่มีบุรุษพึงเป็นเท้ามหาพรหมฐานะนี้มีอยู่สตรีพึงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฐานะนี้ย่อมไม่มีบุรุษพึงเป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฐานะนี้มีอยู่นะก็บอกว่าสตรีอย่าว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยแม้กระทั่งตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สําเร็จก่อนเพราะว่าผู้ที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องประกอบด้วยองค์ แปประการใช่ไหมมนุสส ต, ตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารัตฐานังน่ลิงคสัมปติก็คือต้องเป็นเพศชายเป็นต้นจริงจะตั้งความปรารถนาสำเร็จแต่สมัยใหม่เขานับถือพระโพธิสัตว์ผู้หญิงก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผู้ชายหรือบุรุษพึงเป็นพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าฐานะนี้มีอยู่ พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสององค์จะพึงอุบัติขึ้นหรือพึงแสดงธรรมในโลกธาตุเดียวกันพร้อมๆกันไม่ก่อนไม่หลังฐานะนี้ย่อมไม่มีพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจักเสด็จอุบัติขึ้นหรือจักแสดงธรรมในโลกธาตุหนึ่งฐานะนี้มีอยู่ น, นะสมัยใหม่เขาเชื่อว่าพระศี่านเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศประเทศที่โรคซาร์เยอะๆอะบางพวกเนี่ยนะมาจากแถวนั้นเขาเชื่อว่าพระ พระสีอ่านเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยนะตั้งเป็นโอ้ใหญ่โตเลยมันบางพวกรีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผู้ที่เข้าใจผิดไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อว่าตอนนี้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นวันนี้ก็เข้าใจผิดกันแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถ้ายังปฏิสถานอยู่แม้ชั่วเท่าเมล็ดพันธุ์กาัดพระพุทธเจ้าอีกองค์จะไม่เกิดขึ้น ต่อเมื่อธาตุอันตรทานหมดสิ้นแล้วพระธาตุอันตรธ า, าตุไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดในยุคมนุษย์อายุ8ปดห0ื่นปีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะเกิดในยุคมนุษย์อายุ8ปด0 0ื่ปีนั้นทําอะไรรอดีเนาะหมอทําอะไรดีจะได้อายุเท่านั้นนะอายุ8ปดห0ื่นปีจะเกิดทันพระศีอาร์มเน่ยนะหมอตอนนี้ก็อ่านพระไตรปิฎกไปก่อนก็แล้วกัน พอมายังนึกในใจบอกโอ้ยรอรอรอจะได้พบพระสีอ่านใช่ไหมบอกรอให้ท่านทําไมอ่ะก็รอท่านจะได้เทศพระตไลปดกให้ฟังว่างั้นเอาตอนนี้มีตามีหูแล้วทำไมไม่อ่านให้มันก่อนสัก่อนเนี่ยนะวันหลังท่านเทศพระตไลปดกเราจะได้ฟังง่ายๆหน่อยอย่างนั้นะก็โอ้ยงนั้นก็ คนนี้มันเข้าใจไม่ถูกกันนะถ้าเข้าใจดีๆเนี่ยนะบอกถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรก็ไปฟังอริยศาสตร์เอาตอนนี้คําสอนอริยศาสตร์ก็มีอยู่เต็มตู้ไปหมดก็อ่านสะก่อนที่นะฝึกฝนทาความเข้าใจเอาไว้ก่อนวันหลังฟังท่านนะจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะจะได้ยากสมมุติถ้าเราฉลาดเท่านี้แล้วพระพุทธเจ้ามาเทศเป็นภาษาบาลีด้วยนะจะว่ายังไงคะเนี่ยก็เข้าใจยากมันก็รีบปรึกษาให้มันเข้าใจให้ดีให้เพียงพอก่อน เพราะถ้าพระพุทธเจ้ า, าองค์งไหนก็ท่านก็เทศเหมือนกันนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเดียวกันคําสอนก็สอนเหมือนกันสาวกก็มีคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าเป็นแค่คนละคนเท่านั้นเองแต่ว่าโดยหลักการแล้วไม่มีความต่างกันงนั้นถ้าเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไวด้ดีชาติต่อๆไปเพราะพระพุทธเจ้าเราก็เข้าใจง่ายกว่าเพื่อนเพราะเราสั่งสมไว้แล้วถ้าสั่งสมไว้ชาตินี้ไม่พอรอแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว